พื้นซึบสักเลยนมันส ก, การหลวงพ่อครับก็เมื่อเช้าตอนการข้าวก็รู้สึกว่าจิตมันเบิกบานเป็นจริงมีปิติครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าลงมาเป็นเป็นธรรมดาแล้วก็ยังแต่ยังมีตื่นเต้นนิดหน่อยอยู่ตัวหน้าหลวงพ่อก็อยากจะบอกว่าถ้าสมสมมติตัวเองเป็นดินเหนียวนะจะขอเมตตาให้หลวงพ่อเป็นเหมือนกับช่างปั้นหม้อก็คือจะทุบจะกะนาบอะไรได้เต็มที่เลยครับ นั่นครับนั่นมันต้องถึงถึงหน่อยบางคนใจส่ะนะแล้วบางคนมันโกรธ น, นะเมื่อก่อนเคยรู้จักผู้หญิงคนเด็กผู้หญิงใครๆก็ชมบอกภาวนาดีชมกันเองอะ่ะเราบอกเฮ้ยภาวนาไม่เป็นเนี่ยแม้มันโกรธเราเป็นปีเลย <laughs> จิตตอนนี้ไม่ธรรมดาดูอกไหม มันมันเกินจริงมันมันมันตื่นเต้นแล้วมันมีปิติครับ อ, อ, อยู่ตัวหน้าหลวงพ่อครับให้รู้แต่ดีแล้วครับที่คุณสืบสั์ทําอยู่ใช้ได้อยู่แล้วครับเมื่อเราภาวนาถูกหลักถูกเกณฑแล้วเรามีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกเรามีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเราเห็นทุกสิ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี่คือตัวปัญญาหลุดพ้นเพราะปัญญานี่แหละ พุทธเจ้าสอนบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาไม่ใช่คิดเอาเองปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิคือสภาวะแห่งความตั้งมั่นเึนื่จิตมันไปตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการทั้งหลายไหลามาไหลไปเนี่ยตัวที่เห็นปรากฏการไหลามาไหลไปต่อหน้าต่ อ, ต, อตาเรียกว่าสตินะอาศัยสติอาศัยสัมมาสมาธิ ใส่ปัญญาซ้ำแล้วซ้ำอีกทำอยู่อย่างนี้จนวันหนึ่งเขาแจ้งขึ้นเองบางคนก็เจวัน7เดือน7ปนะี7ปีไม่ได้ทำา16ปี16ปีนี่ไม่ใช่ให้หวยนะมันเป็นสถิติครูบาอาจารย์จำนวนมากท่านทำเวียน16ปีทำไม่ได้ก็ทำเจดชาติหรือบางองค์ท่านบอกว่าท่านเป็นลูกศิธิ์หลวุ่มั่นรุ่นเดียวกันเขาหลุดพ้นไปหมดละ เบื่ท่านองค์เดียวไม่ได้อะไรแต่อีกร้อยชาติท่านก็จะทำนี่ใจต้องห้าวหาญอย่างนี้นะการภาวนาโลปูเทศเคยสอนหลวงพ่อบ อ, อกว่าภาวนาเราทำกันทั้งชีวิตเราไม่ได้คิดว่าจะรีบๆทําให้มันเสร็จๆไปแล้วหมดธุรนะล้ยิ่งรีบยิ่งช้าหน้าที่เราก็มีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะช่วงไหนฟุ้งซ่านก็ทําความสงบเข้ามาหรือช่วงไหนดูจิต ด, ดูใจไม่ออกก็ดูกายไป เห็นร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเป็นก้อนาธาตุก้อนขันไปไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยเนี่ยใช้สติใช้ปัญญ า, าสักฟอกค้นคว้าอยู่ในกายในใจอย่างนี้ยค้นคว้าไม่ใช่คิดนะเข้าไปเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจเดี๋ยซ้ําแล้วซ้ําอีกเจวันนี้ก็มีนะเคยเจอคนเดียว6เดือนเจ็ดเดือน8ดเดือนเลยนี่เห็นหลายคนนี้ถ้าติดสมถะก็นานหน่อย ต้องนั่งแครกันใหม่หรือพวกจอมปลอมกลัวกลัวเสียหน้ากลัวอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ได้กินหรอกใจถึงถึงนะถึงถึงบางคนเวลาจะสอนนะต้องดูกันมันจะเตะเอเปล่าต้องระวังเหมือนกันนะมันมีเหมือนกันเวลาไปศึกษากับครูบาอาจารย์นะโอ้โหรักท่านจริงๆหลวงพ่อตอนนั้นก็เป็นข้าราชการ ไม่มีเงินทองอะไรหรอกนะเก็บวันลาไว้เก็บค่ารถไว้ถึงเวลาก็ไปหาทีหนึ่งท่านเมตตาสอนสอนเราบางวัดคุณหญิงคุณนายเต็มวัดเลยคนใหญ่คนโตเต็มวัดเลยท่านไม่สนใจนะสอนกรรมฐานท่านก็ให้คนมาถวายของอะไรเงี้ยให้พรไปแล้ว <c oughs> ปิดประ ต, ตูกุฏิแล้วสอนเราละนะสอนโอ้โหมัน ฝากเป็นฝากตายกับครูบาอาจารย์จริงๆนะมันถึงอกถึงใจจริงๆตอนพ่อแท้ๆตายใจเบิกบานเบิกบานเขาตายให้ดูนี่ตอนหลวงปู่ดูลมรณภาพนะใจน้รูบเลยรู้สึกว่าเป็นลูกกำพร้าละในสังสารวัฏเนี่ยเราจะมีพ่อที่แท้จริงอยู่คนเดียวคือคนที่ทำให้เราเข้าใจธรรมะนะ เราเข้าใจธรรมะพ่อใครคนนั้นเป็นพ่อเราที่เหลือเราจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่พี่เราครูบาจารย์ถัดถัดมาจะเหมือนเป็นพี่เราเราฟังธรรมะของใครเข้าใจคนนั้นก็คือพ่อแม่ที่แท้จริงเหมือนอย่างพระสารีบุตรเนี่ยฟังตระอัสสชิรู้เรื่องเวลานอนนอนหันศรีรษะไปทางพระอัสสชิไม่หันไปทางพระพุทธเจ้าใจมันจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ นั้นเราจะไม่กลัวเลยว่าครูบาอาจารย์จะมาโคกมาสับไม่กลัวกระทั่งว่าท่านจะสับเราต่อหน้าคนอื่นให้เสียหน้าไม่รักหน้านะไม่รักหน้านะรักศีลรักธรรมใจต้องถึงถึงจริงๆเลยการข้ามภพข้ามชาตไม่ใช่งานเล่นๆพูดหยาบหยาบไม่ใช่งานขี้ๆนะพวกขี้เฉพาะขี้เกียรนี่ไม่ได้กินหรอก <c oughs> ต้องถึงจริงๆนะใจถึง สะสมยังใจยังอ่อนแอก็สะสมไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบารมีสร้างไว้ถึงวันหนึ่งจะต้องเอามาใช้ตอนที่จะข้ามพพข้ามชาติจริงๆมันจะงัดเอาบารมีทั้งหลายเอามาใช้นะตัวใดตัวหนึ่งอ่อนไปนะินะถอยเลยถอยเวลาไปอ่านพุทธประวัตินะจะถึงอกถึงใจอย่างตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่พยามานมาไล่ มาไล่ทั้งขู่ทั้งปลอบมีปลอบด้วยนะบอกว่าถ้าเลิกซะลุกจากอัสนะนี้ไปก็ได้เป็นจกักรพรรดินะมีมีปลอบด้วยมีรูถ้าไม่ลุกตายนะเวลาที่ท่านผจญจริงๆจะเป็นอย่างนั้นมารจะมาจริงหรือเปล่าไม่รู้นะรู้แต่ว่ามารเนี่ยประชุมกันอยู่ในขณะ น, นั้นเลยกายของเราใจของเรานี่แหละรเรียกว่าขันธ์มาร ในขณะนั้นมีความรู้สึกเลยว่าถ้ายังยื้อต่อไปปฏิบัติต่อไปต้องตายแน่นอนไม่ตายก็บ้านะนี่คือมัจจุมานความคิดก็กลับกรอกหลอกลวงเราถอยดีกว่าออกมาอยู่กับโลกลอยู่ในโลกนีนะ้ก็มีความสุขมากกว่าคนทั้งโลกแลภาวนามาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วค่อยไปต่อเอาในพรหมโลกก็ได้ไมไม่เห็นจะต้องมาตายตอนนี้เลยจะได้อยู่ทาประโยชน์ได้อีกเห็นไหม มานี้ลายนะชื่ออาพิสังคารมานยอดจะปลอบเลยทั้งปลอบทั้งขู่ทั้งหลอกเนี่ยมานหลายตัวนะกิเลสมานมัจจุมานเทวปุตตมานก็คือตัวจิตของเรานี้แหละที่มันจะถูกกิเลสหลอกให้หวันไหวมาน5ตัวนี้ประชุมอยู่ในขณะนั้นเลยในขณะนั้นเราไม่มีที่พึ่งอื่นเลยจะเอาใครเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้พ่อแม่ครูอาจารย์ก็มาเป็นที่พึ่งในขณะนั้นไม่ได้ ไม่มีใครตัวคนเดียวแล้วที่จะต้องต่อสู้แล้วเป็นการต่อสู้ที่รู้อนาคตเลยว่าถ้าไม่บ้าก็ตายไม่ใช่ต่อสู้รู้อนาคตว่ารอดนะถ้าต่อสู้รู้อนาคตว่ารอดเนี่ยยังสู้อยู่ในขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ได้อีกลวมีแต่พวกบารมีทั้งหลายที่เราสะสมไว้อย่างเรามีฐานะบารมีเราเคยเสียสลากร ะ, กะทั่งชีวิตได้นะ ในขณะนั้นนะยอมตายได้เรามีสัจจะนะเรามีสัจจะเราต้องการเห็นความจริงของชีวิตจะตายก็ไม่กลัวเรามีอธิษฐานนะบา ร, รมีตั้งใจมั่นตั้งใจสู้แล้วไม่ถอยตายก็ตายมีปัญญานะสติปัญญาเนี่ยปัญญาสุดขีดเนี่ยไม่ค้นคว้าพิจารณาละปัญญาสุดขีดเนี่ย รู้ไปความจริงมันเป็นยังไงเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเอาละดูซิร่างกายนี้จิตใจนี้ใกล้จะระเบิดจะแตกจะดับแนละ้วมันจะเป็นยังไงรู้ลูกเดียวเลยนี่ปัญญาสุดฉีดนี่ไม่ได้คนกว้าละไม่ได้คิดเอาอย่างที่ปัญญาโลกโลกเนี่ยบารมีเยอะแยะนะเนี่ยขัมมะบารมีก็ใช้ใจที่จะออกจากกามออกจากโลกมีแม้งั้กิเลสจะหลอกเรากลับถอยออกมาซิแล้วมาอยู่กับโลกอย่างมีความสุขหนึ่ง เน่าความสุขเอาความสบายมาหลอกมาล่อเราถ้าใจไม่เคยมีเนคข ม, มะบา ร, รมีที่เข้มแข็งนะก็จะถอยเหมือนกันเม้นบา ร, รมีสิบตัวศนะีลมีความเป็นปกติไหมในขณะที่ถูกโจมตีหนักหน่วงเนี่ยยังเป็นปกติอยู่ได้ไหมขันติมีไหมอดทนได้ไหมกับความทุกข์ที่บีบคั้นประดังขึ้นประดังขึ้นะ น, นะนิพพานอยู่ฟากตายจริงๆนะเนี่ยในขณะนั้นไม่มีที่พึ่องอื่นเลยนะ มีแต่บารมีทั้งหลายที่เราเคยสะสมอบรมมายอมยอมทุกสิ่งทุกอย่างนะคราวนี้มันเหมือนหลังชนกำแพงจะตายก็ตายแล้วจะบ้าก็บ้าอะไรก็ได้ขอให้เห็นความจริงเท่านั้นจะตั้งดูตั้งรู้ไปๆจนถึงจุดที่มันระเบิดเปรี่ยงมาตายไปเลยก็ช่างมันนี่ใจต้องห้าวหาญนะงั้นทอนาจะทำเหยาะเหยาะแยะแยะไม่ได้กินหรอกแต่ว่าการทาจริงทาจังก็ไม่ใช่แปลว่าต้องทรมาน มันเป็นความเด็ดเดี่ยวทางจิตใจที่จะภาวนาไม่เลิกไม่ใช่ว่าจะต้องอดข้าวต้องเดินทั้งวันทั้งคืนอะไรเงั้นไม่ใช่บางท่านอดข้าวแล้วสติเกิดบ่อยท่านก็อดข้าวไม่ได้อดข้าวด้วยหวังว่าจะบรรลุนะแต่อดข้าวเพราะว่าเห็นมีปัญญาเห็นว่านี่อดข้าวแล้วสติเกิดบ่อยนี่บางองนะบางองค์ฉันข้าวแล้วสติเกิดบ่อยท่านก็ฉันข้าวบางองค์อดนอนนะนอนนอนมากไปแล้วซึมไม่นอนแล้วสดชื่น มีนะักครูบาจารย์บางองค์ไม่นอนเป็นสิบสิบปีมีหลวงปู่เรื่องหลวงปู่เรื่องอยู่พัทลุงไม่นอนนานหลวงพ่อเคยเจอท่านท่านก็อายุเยอะแล้วตอนนั้นท่านไม่นอนมาสิบสามปีแล้วถามว่าทำไมท่านไม่ทุกข์ทรมานหรอ่บอกท่านสบายตั้งหากถ้าท่านนอนแล้วท่านป่วยเนี่ยท่านท่านดูแล้วถ้าท่านไม่นอนแล้วสติปัญญาท่านดีจิตใจสดชื่นร่างกายแข็งแรง ถามท่านแล้วไม่หลับบ้างเหรอรบอกก็มีเหมือนกันแต่นั่งอยู่นะถ้าหน้าร้อนเนี่ยจิตรวมปุ๊บตรงไปหลับตรงไปแล้วเคล้มหลับปุ๊บเดี๋ยวขึ้นมาแล้วตื่นแล้วถ้าหน้าหนาวท่านบอกเคลิ้มนานหน่อยห้าหนาทีนะห้าหนาทีนี่เราก็ดูนะดูของเราเองเลยอะไรทําให้เกิดสติ<อ>เกิดสัมมาสมาธิเกิดปัญญาอันะั้นแหละพอเรามีสติมีสัมมาสมาธิแล้ว ถ้ารู้จิตได้ก็รู้จิตไปรู้จิตไม่ได้รู้กายกายกับจิตนี่เป็นสนามลบของเรารู้ลงไปเรียนรู้ลงในกายในจิตนี่ได้จนถ่องแท้ถ้าดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ต้องใช้คำนี้ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทาความสงบเข้ามาทาความสงบทาสมถะพอจิตใจมีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงแล้วมารู้กายมารู้จิตต่อเคยไปเรียนกับอาจารย์มหาบัวท่านสอนมา ของการปฏิบัติเนี่ยมีแต่การมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันมีแต่เรื่องกายกับใจงั้นเราภาวนานะต้องเดินปัญญาให้ได้การเดินปัญญานี่เป็นงานหลักการทําความสงบเป็นงานสนับสนุนภารกิจของเราคือการเดินปัญญานี่การเดินปัญญาเราก็ต้องมีความช่างสังเกตถ้าจิตของเราไปติดไปข้องอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งที่แอบไปสร้างขึ้นมาโดยรู้ไม่เท่าทันค่อยๆสังเกตไป ه, หลายวันแล้วจิตก็เหมือนกันตลอดเลยสบายอยู่อย่างเงี้ยว่างอยู่เงี้ยเหมือนกันหลายวันละต้องมีอะไรผิดปกติทําไมมันเที่ยงของเที่ยงไม่มีจริงแน่นอนนะต้องเป็นของหลอกหลอกหรือภาวนาขยันมากเลยจเจริญปัญญาลูกเดียวตามรู้กายตามรู้จิตลูกเดียวเลยหมุนติ้วติ้ว ต, วตวิอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดพักเลยดูมาหลายวันดูเป็นเดือนหลวงพ่อเคยดูเป็นเดือนไม่ขาดดูเดือนกว่าไม่ขาดนะ ศึกษากระหลวงพ่อพุธถามจันมหาบัวอะไรไม่ขาดวันหนึ่งหมดเรี่ยวหมดแรงเหนื่อยนึกขึ้นได้ว่าพักซะหน่อยดีกว่าทำสมถะนะกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกยี่สิบดครั้งไม่ใช่ให้หวยนะ <c oughs> จิตมันสงบรวมลงไปนะพอมันถอยขึ้นมามันเห็นสภาวะอะไรก็ขาดสะบั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จังหวะในการก้าวเดินของเรา ดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายมีลําดับนะดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปเพราะกายเป็นบ้านของจิตมรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดที่กายกุศลอกุศลไม่ได้เกิดที่กายแต่เกิดที่จิตนั้นถ้าเรียนรู้เข้าจนถึงจิตถึงใจเนี่ยจะได้แก่นส า, สารสาระอย่างรวดเร็วหลวงปู่เทศถเคยสอนบอกว่าการภาวนาเนี่ยถ้าภาวนาถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติ อย่างการค้นคว้าพิจารณากายอะไรนี้เป็นอุบายให้จิตสงบให้มีเรี่ยวมีแรงเท่านั้นเองหรือหลวงปู่สุวัตเล่าให้ฟังเ่อท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ก็ดูกายถ้าไม่มีแรงอย่าดูกายก็ทําความสงบมีแนวรุกแนวรับนะเมื่อเราจะเดินไปไม่ใช่เดินแบบสุ่ม4สี่ม5หรือสุมเสียง เดินไปแบบคนมีความรู้รู้รูปทางที่จะเดินไปถ้าไปด้วยสติด้วยปัญญานะไม่ใช่ไปแบบบัวแบบควายหลายคนภาวนาแบบบัวแบบไวเอาแรงเข้าทุ่มอย่างเดียวไม่มีสติไม่มีปัญญานะคิดว่าเอาแรงทุ่มเข้าไปแล้วจะได้เอาแรงทุ่มเข้าไปได้นักมวยปล้ามันคงได้หมดแล้วนะมันไม่ได้จริงหรอกมันต้องสังเกตนะสังเกตลงไปด้วย ความช่างสังเกตของเรานี้เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการแยบขายในการพิจารณาตัวเองพิจารณาไม่ใช่แปลว่าจิตมันแยบขายในการรู้เท่าทันตัวเองเช่นเราภาวนาแล้วจิตสว่างพลึบขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่งั้นอนะ่ะเจวัน7คืนก็ยังสว่างคงที่อยู่งั้นต้องเฉลียวใจแล้วอะไรมันจะเที่ยงจิตต้องผิดปกติอะไรสักที่หนึ่งนี้ถ้าเรายังสังเกตไม่ออกอมันไปพลาดตรงไหน นนี้เป็นเคล็ดลับนะนาทีทองเลยที่จะสังเกตจุดที่พลาดคือตอนที่ตื่นในขณะที่ตื่นเน่ยมัวแต่นอนบิชี้เกียรติอยู่ในขณะที่ตื่นของนักปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตเราเคยติดข้องกับสภาวะอะไรพอตื่นปับนะ๊บเนี่ยมันจะรีบเข้าไปสู่สภาวะนั้นอย่างรวดเร็วเลยให้เรารู้ทันตั้งแต่พอมันตื่นปุ๊บนะีจิตเคยพอตื่นปุ๊บขยับก็อก๊กเ ก, ก, ก, ก, ก๊อ่าว่างไปละเราจะรู้เลยอ๋อมันว่างเพราะมันทําอย่างนี้เองนะต่อไปมันก็จะไม่ไปสู่ตรงนั้นอีก จะรู้แล้วก็ตื่นขึ้นจริงๆไม่ไปหลงสร้างพบอันใดอันหนึ่งขึ้นมานักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะติดอยู่ในพบอันใดอนหนึ่งใช่ไหมต้อมต้องใช่พถ้าไม่ติดในพบอันใดอนหนึ่งอริยมรรคก็เกิดแล้วสิเพราะงั้นไม่ต้องกลัวผิดนะผิดแน่นอนผิดแล้วก็เรียนรู้ลงไปเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะไม่ใช่นิทานหลอกเด็กคนจริงก็ได้ของจริงไปนะคนจริงไม่ใช่ว่าทําแบบบัวแบบควาย ไปด้วยสติด้วยปัญญาไปแบบคนมีครูมีหลักนั้นเรียนหลักการให้แม่นเราต้องรู้กายต้องรู้ใจนะไม่ใช่รู้อันอื่นการรู้กายรู้ใจไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจการคิดเรื่องกายเรื่องใจเรียกว่าฟุ้งซ่านหรือถ้าคิดเรื่องกายเรื่องใจลงเป็นไตรลักษณ์เป็นปฏิกูณาสุภาอะไรอย่างนี้ได้สมรรถะหรือไม่ได้ไปคิดเอาแล้วก็ไม่ได้ไปเพ่งเอา ต้องระวังการไปเพ่งกายเพ่งใจนักปฏิบัติเกือบร้อยร้อยคือนักเพ่งกายเพ่งใจไม่ทําอย่างอื่นหรอกเอาแต่เพ่งเอาการที่เราเพ่งกายเพ่งใจอยู่ไม่สามารถเจริญปัญญาได้เราต้องปล่อยให้กายให้ใจเขาทํางานแล้วเราตามดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนมันทนอยู่ในภาวะแดนหนึ่งไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจสังเกตไหมในใจเราเนี่ย มันก็ถูกความทุกข์เสียดแทงนะมันคันคันรู้สึกไหมมันคันคันเดี๋ยวมันก็อยากได้อารมณ์โน้นเดี๋ยวมันก็อยากได้อารมณ์นี้มันทนอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาแล้วมันคันคันในหัวใจนั้นมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่แล้วมันต้องดิ้นพล่านๆไปหาอารมณ์มาเสวยอารมณ์ทางร่างกายมันก็มีความทุกข์บีบคั้นนั่งอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกนอนก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยๆนี่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่แล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราททัั้้งงกายใจนี่ เป็นเป็นธาตุเป็นขันเป็นสิ่งซึ่งอยู่ประจําโลกอยู่แล้วเราเพียงแต่เข้าไปรู้ไปเห็นมันเท่านั้นนี่คนทั้งหลายพออาศัยอยู่ในขันนี้แล้วก็ไปครอบครองว่าเป็นตัวเราขึ้นมานี่เรียนลงไปจนเห็นความจริงมันไม่ใช่ตัวเราบางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นว่ามันเป็นทุกข์บางคนเห็นว่าไม่ใช่เราเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพาน งั้นต้องต่อสู้นะวันนี้ธรรมะเป็นภาคต่อสู้บางวันก็ธรรมะเป็นภาคมีความสุขมัแล้วแต่คนนะวันนี้คนต้องพร้อมต่อสู้เยอะหน่อยธรรมะก็เป็นเรื่องดุเดือดหน่อยอ่ะไปส่งกันบ้านเดี๋ยวนี้นะหากินง่ายนะักปฏิบัติอมีอะไรก็มาถามแต่ก่อนครูบาอาจารย์ไม่บอกหรอก โหแต่ละปัญหาเราติดปัญหานะคลำกันหลายเดือนหลายปีเลยคลำไม่บอกง่ายๆ่ายที่ท่านไม่บอกเนี่ยมันทําให้เราพัฒนาสติปัญญาพอเราบอกพอเราฟังคําตอบคําเฉลยแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรารู้แล้วจิตใจจะเฉื่อยเหนื่อยใช้ไม่ได้นะจะขี้เกียจแต่ถ้าเราไม่รู้คําตอบแล้วเรามีฉันทะที่จะรู้เนี่ยมันจะค้นคว้าพิจารณานะมันจะเดินปัญญา เพราะฉะนั้นจะถามก็เก็บเก็บคำถามไ้บ้างนะ <c oughs> ไม่ต้องถามมาก่า <c oughs> มีเหตุจำเป็นจริงๆิงนะแหมมันติดมันขัดอยู่นานแล้วมันผ่านไม่ได้สักทีค่อยถามปร <c oughs> ะเภทเล็กๆกน้อยๆเอาไว้ดูอย่างของหลวงพ่อนะบางปัญหานะใช้เวลาตั้งยี่สิบปีนะแต่ยี่สิบปีมันอยู่ในเพศค า, ารวะภาวนายาก บางปัญหาอย่างหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อครั้งสุดท้ายเจอท่าน3ามสิบหวันก่อนท่านมรณภาพท่านเทศเทศเทศจนท่านเหนื่อยเราก็จะลากลับท่านบอกเพียงกลับไม่ได้จําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตจนกระทั่งความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตอนนั้นถามท่านก็ได้นะว่าพบแล้วทาลายยังไงไม่ถามไม่ถามท่านบอกว่าให้จําไว้ท่านไม่ได้บอกให้ถาม หลวงพรออาจารย์บอกให้จําไว้ก็จําไว้จําไว้รุ่งเช้านั้นไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเจอหลวงพ่อพุธก็ถามไงนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรสอนว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี้ยเจ็ดวันก่อนท่านก็ไปหาหลวงปู่มาหลวงปู่บอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติมันจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิต ท่านสอนอย่างนี้แล้วหลวงพ่อพุด ท, ท่านเฉลยให้อีกนิดหนึ่งเห็นไหมครูบาอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยใจดีท่านเฉลยบอกว่าคําว่าทําลายผู้รู้ทําลายจิตคือไม่ยึดถือมันท่านแถมให้อีกคำหนึ่งแล้วท่านบอกว่าคุณกับหลวงพ่อมาทํากติกากันไหมใครทําลายก่อนนะให้มาบอกกันนะว่าทําลายยังไงที่มันจะไม่ยึดถือจิตเนี่ยผ่านไปนานนะจนกระทั่งปีสี่หนึ่งสีอะไรเนี่ยก่อนท่านมรณภาพไม่นาน หลวงพ่อวันเดือนปีนะจําไม่ค่อยถูกละก่อนวรณภาพไม่นานน่ะท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์เทศจบแล้วก็เข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อนานละไม่เจอท่านหลายปีตอนหลังๆท่านไปหลบๆซ่อนๆท่านหนียมนั่นแหละอีกหน่อยหลวงพ่อก็คงหนีเหมือนกันเข้าไปกราบท่านหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อหลายปีท่านบอหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลย ท่านนะับเปลี่ยนเลยธรรมะของท่านนะห้าวหานจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่นั้นเติบโตเต็มที่จะเจาะทําทลายเปลือกออกมาเองหูห้าวหานมากเลยเราฟังเรารู้ภูมิธรรมของท่านเลยฟังแล้วแล้วก็ยังภาวนาอย่างนั้นไม่ได้ลูกไก่นี้ทําไมไม่โตสักทีสงสัยจะเป็น <laughs> มันจะแท้งซะแล้ว <laughs> มาบวชนะมาภาวนานะ ลูกไก่ก็ค่อยโตเร็วหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าเบื้องต้นต้องบวชทุกคนนะไม่จําเป็นเป็นคาราวาสเนี่ยธรรมะขั้นต้นๆโสดาสกิทาคาอะไรเนี่ยไม่เหลือวิสัยหรอกแล้วเป็นคารวาสถ้าภาวนาเป็ น, นัะไม่ช้ากว่าพระธรรมะขั้นต้นๆเนี่ยเพราะคารวาสมีผัสสะทั้งวันมีการกระทบอารมณ์ตลอดเวลาถ้าดูเป็นเราก็จะเห็นเลย พอมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็กระเทือนขึ้นมาแม้กระทบแล้วก็กระเทือนกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตมันกระเทือนขึ้นมากระเทือนขึ้นมาเป็นความยินดีกระเทือนขึ้นมาเป็นความยินร้ายให้รู้ทันลงไปภนะาวนาไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็เข้าใจต้องสู้นะนี่คุณศึกษาข้อนักสู้ธรรมะมันข้อดูเดือนหน่อย ถ้าเจอพวกขี้ขลาดใจเหยาะแหยะหลวงพ่อเออดีแล้วทำไปดีแล้วเนี่ยมีเจ้าแมวเนี่ยรู้ทันหลวงพ่อหลวงพ่อนี่ดับเบิลสแตนดาร์ดความจริงหลายไม่ใช่ดับเบิลหรอกทริปเปิลพวกอ่อนเลยนะก็สอนอย่างหนึ่งพวกเข้มแข็งขึ้นมาก็สอนอย่างหนึ่งพวกที่มุ่งมั่นผลนิพพานจริงๆก็ต้องอีกอย่างหนึ่งสอนไม่เหมือนกันหรอกเอ้าเบอร์สองว่าไป นมัสการค่ะหลวงพ่อก็ก็แบบตื่นเต้นอ่ะพูดแทนแล้วไงก็มีความบางครั้งก็มีความเพียรในการแบบภาวนาบ้างบางครั้งก็ไม่ค่อยมีความเพียรนะคะก็มักจะแบบง่วงนอนความเพียรน่ยไม่ได้แปลว่าต้องนั่งนานๆเดินนานๆหลวงปู่มั่นสอนนิยามความเพียรไว้นะบอกเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไร่ขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียร ในในระหว่างชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะแบบจะรู้ตัว ต, วตอนอารมณ์โกรธลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบ<ม>โกโรธนี่แบบจะเห็นชัดชัดกว่าตัวอื่นว่าโกโรธแล้วแล้วก็จะถามตัวเองว่าเอ๊ะจะดุดีหรือไม่ดุดี<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามถ้าไ ม, ไม่ดุก็ไม่ได้สอนเขาก็ไม่ได้นั่นแบบจะอะไรอย่างเงี้ยสอนจะดุไม่เหมือนกันนะค่ะผมันคนละนิยามกันคือดุให้เขากลัวก่อนแล้วค่อยมาอบอกเหตุผลเงี้ยค่ะอ๋ออันนั้นเป็นศิละปะละเด็กบางคนไปดูมันยิ่งดื้อนะ ลองมาปรึกษาหมอติดูเ ป, เป็นจิตแพทย์คือแต่ว่าสภาวะอื่นนี้บางครั้งก็แบบ ก, ก็จับได้บ้างไม่ได้บ้างะคะก็ไม่รู้ว่าแบบบางครั้งเราจงใจรู้หรือว่ามันรู้ได้ต้วตนเองอะคะ่ะก็รู้ว่าสงสัยนะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เวลาที่เราภาวนาเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกวันสติจะเกิดเท่าๆกัน บางวันเนี่ยสติเกิดทียิบเลยเหมือนมรคนิพพานอยู่อีกนิดเดียวก็ถึงละอีกวันหนึ่งเหมือนคนภาวนาไม่เป็นนะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละหน้าที่ของเราก็คือถ้ามันท้อแท้ใจรู้ว่าท้อแท้มันขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจมันเบื่อรู้ว่าเบื่อมันสงสัยรู้ว่าสงสัยหลวพ่อชาเขสอนใช่ไหมขี้เกียจก็ปฏิบัติขยันก็ปฏิบัติเพราะงั้นใจเราเป็นยังไงนะ่ะรู้ลูกเดียวเลยอย่าถอยนะถ้าถอยแล้วมัน มันก็ต้องถอยไปเรื่อยๆแหลนะถ้าสู้นะมันมีโอกาสรอดมันคล้ายๆเราขึ้นบันไดเลื่อนเราจะขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นบนแต่บันไดนี้เลื่อนลงฉนะันต้องวิ่งให้เต็มเหนี่ยวเลยนะทุ่มเทเข้าไปนะภาคเพียนภาคเพียนไม่ใช่เอาแบบบัวแบบควายนะหลวงพ่อย้ํามากเลยบางคนมีแรงอย่างเดียวไม่ฉลาดต้องรู้จังหวะของเราว่าตอนไหนควรทําอะไรแล้วไม่หยุด เดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้าหยุดก็ถอยถ้าถอ ย, ถอยครั้งหนึ่งถอยลงมาอามีแรงเดินขึ้ไปก็ถอยลงมาอีกหลายๆครั้งแล้วจะไม่มีแรงเดินมันจะหมดกําลังใจเพราะงั้นภาวนาเนี่ยฮึดๆไว้ฮึดไว้ก่อนเอให้เต็มที่ไปวิตรีภาวนาให้เต็มที่ก็คือภาวนาตั้งแต่ตื่นภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ต้องคิด เวลามีธุระต้องคิดในขณะที่ต้องคิดเนี่ยไม่สามารถทํามิปัสสนาได้เพราะจิตจะไปรู้เรื่องที่คิดเมื่อจิตรู้เรื่องที่คิดจิตไปรู้อารมณ์บัญญัติรู้เรื่องสมมุติบัญญัติเรื่องรู้เรื่องที่คิดคิดฝันฝันอะไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อไรไม่ได้มีธุระต้องทํางานที่ต้องคิดให้หัดรู้กายรู้ใจไปให้ฝึกตั้งแต่ตื่นนอนนะตื่นนอนเนี่ยนาทีทองใหญ่มัวแต่บิดขี้เกียจ น, นะตื่นนอนแล้วเรียบรู้เลย ร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกรู้ไปเลยจะอาบน้ำจะกินข้าวจะนั่งรถจะขับ่ายจะทำอะไรนะรู้สึกรู ก, รกรเดียวเลยอย่างวันนี้หยิบเสื้อผ้าขึ้นมาเนี่ยเป็นคารวาสมีเสื้อหลายตัวจะเอาตัวไหนดีวันนี้ลังเลกลับไปกลับมาเนี่ยก็ให้รู้เลยว่ากำลังลังเลอยู่จิตใจเป็นยังไงรู้ลงไปเดี๋ยวพรง่ายนะชุดเดียวเที่ยวรอบโลก อย่าขี้เกียจ น, นะอย่าท้อถอยต้องสู้เอาศา ส, สนาพุ้นไม่ใช่ศาสนาของการยอมจำนนเป็นศาสนาของคนจริงคนที่จริงก็คือคนที่กล้ายอมรับความจริงกล้าเผชิญความจริงความจริงก็อยู่ที่กายที่ใจนี้ดูลงมาความจริงของกายเป็นยังไงความจริงของใจเป็นยังไง ร, รู้ลงไปเรื่อยๆรู้จนวันหนึ่งยอมรับความจริงทีแรกเห็นความจริงยังไม่ยอมรับไม่อยากยอมรับ ต้องดูกันนานกว่าจะยอมรับได้ใจลอยไปแล้วเบอร์สองทราบไหมเออเนี่ยจิตมันหนีไปคิดให้รู้ทันคุณสืบสักก็ลงไปคิดละเห็นไหมคุณมนพเพลิดเพลินหเหออ็นไเกงถล้ำไปแล้วรู้สึกไหมใจเริ่มแข็งทื่อแล้วรู้สึกหมต้องตรวจกันบ้านบ้างไมะงั้นพวกที่ผ่านไปแล้วนะเริ่มสบายใจเกินเหตุนะ มาเรียนกับหลวงพ่ออย่าหวังนะว่าจะมีความสุขคุณลูกศิษย์จันแบรนะใจลอยไปละลงไปละรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจรู้สึกไม่ใช่เพ่งนะเพ่งกายเพ่งใจเป็นเรื่องง่ายรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยยากเบอร์สองหนีไปคิดแล้วก็กดเอาไว้ด้วยรู้สึกไหมน่วงน่วงไว้อย่าไปหน่วงมันปล่อยมันเบอร์5้าสิบสอะไรเบอร์ห้าสิบส รู้สึกไว้นะรู้สึกเบอร์7เห็นไหมชักตื่นเต้นแล้วนะเบอร์5 5าสิบหทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ภาวานาเก่งพอเบอร์7ถูกเรียกเบอร์ห้ก็ตื่นเต้นด้วยเงีย้ยนีรู้สึกนะเบอร์26นะ่สิหกไปกดมันหน่อยๆแล้วอ่ะสงสัยขึ้นมาทราบไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปนะข้างหลังติดเบอร์แต่มองไม่เห็นแล้วบังกันไปบางกันมานะเบอร์28หนีไปคิดจิตนหะนีไปคิดแล้วก็รู้สึกเอาเบอร์66สิบหกนะ รู้สึกไว้หนีไปแล้วใจหนีไปหัดรู้สึกนะรู้สึกไปนะเบอร์24สังเกตไม่เรียกกี่เบอร์กี่เบอร์ก็หลงไปคิดสังเกตหมเพหลงคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดนะหลงคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดถ้าหากเรารู้จักสภาวะหลงคิดแล้วก็ภาวนาได้ทั้งวันเลยเคยมีคนหนึ่งนะภาวนาอะไรก็ไม่เป็นเรารู้แต่ว่าเผลอไปแล้วเผลอไปคิดคืออาจารย์สุรวัร ทีแรกแกหัดกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกให้ต้องรู้สึกตัวคอยรู้สึกรู้สึกรู้สึกใส่แล้วแกรู้สึกอยู่เฉยๆบอกแกว่าต้องทําสติปัฏฐานนะแกก็ทําไม่เป็นสติปัฏฐานแกเห็นว่าจิตมันเผลอไปแล้วก็รู้สึกเผลอไปรู้สึกการที่เห็นว่าจิตเผลอไปแล้วรู้สึกรู้สึกเนี้ยนั่นแหละสติปัฏฐานและก็คือจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะทําสติปัฏฐานอยู่โดยไม่รู้ว่าทําสติปัฏฐานไม่มีวิห่อเลย ภาวนาไม่นานนะนั่นภาวนาแปดเดือนเองแต่ไปถามไม่รู้ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เขาไม่ได้บัญญัติออกมาเอาว่าไปตื่นเต้นตั้งนานแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะกล่นกกานามรัศกรหลวงพ่อค่ะ ก็คือว่าฟังเทศฟังธรรมเนี่ยก็ฟังมานานนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าปฏิบัติจริงไหมก็ไม่ถึงกับจริงจังอะไรมากก็เลยอยากจะขอแนวทางอะค่ะว่าจะทํำยังไงดีอะคะฟังธรรมเนี่ยฟังได้หูฟังธรรมได้หูนะใช้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ลืมฟังธรรมมาแล้วก็ดูลงมาให้ถึงใจจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งนะอย่างตอนนี้มันเพ่งอยู่รู้สึกไหมไปกดเอาไว้ มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้เนรเรียนรู้มันไปเรื่อยๆจนวันนึงเราเห็นความจริงเลยมันไม่ใช่ตัวเราจิตใจเนี่ยมันทํางานได้เองสารพัดไม่ใช่ตัวเราหรอกดูอย่างนี้ได้่อยๆไปกดไปรู้สึกไหมกลัวเพราะว่าตื่นเต้นก็เลยไปกดไว้คือกดให้ตั้งใจฟังอะค่ะเพราะทาเผลอแ ป, ป๊บนึงก็จะี่ยเมื่อกี้แวบเลยรู้สึกไหมให้แวบปไปแล้วรู้สึกไม่ใช่กลัวจะแวบนะ ไม่ต้องกลัวจิตเผลอนะยังไงก็ต้องเผลอเนี่ยไปละรู้สึกไหมเห็นไหมมันค่อยๆไหลคราวนี้ไหลนิ่มๆบางทีก็ไหลโฉงฉางเนี่นนยใครรู้ทันมันนะอา้าวแล้วมีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวไว้มาฝึกกับหลวงพ่ออีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมาทํากันบ้านนะคะเออไปทำกันบ้านนะเดี๋ยวจะมาส่งกันบ้านค่ะอการบ้านของหลวงพ่อต้องทําตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะ หลายคนมาบอกเดี๋ยวมาฟังฟังเดี๋ยวจะกลับไปทาค่ะโอ้พวกหวยแตกภาวนาเนี่ยปัจจุบันนะปัจจุบันรู้เลยไม่มีอ้อมค้อมไม่มีเสียเวลาสู้ตายนะวันนี้ธรรมะมีแต่เรื่องสู้ตายต้องเป็นพวกเข้มแข็งมาเรียนธรรมะถึงจะเข้มแข็งถ้าพวกอ่อนแอมาก็ต้องโอ้โอโ อ, โอไปก่อน พอมีเรื่องมีแรงแล้วก็ทุบทีหลังอ๋ อ, อหลวงพ่อรู้แล้วนี่มาลัทธนาให้ทุบวันนี้มีคนมาขอให้ทุบหลายคนเอาว่าไปเผลอบ่อยค่ะอืเวลาที่เราเผลอเราไม่ได้เราไม่ได้บังคับใช่ไหมคะไม่ได้บังคับหรอกมันเผลอเองแต่อย่าไปบังคับให้คืนมาให้แค่รู้ว่าเผลอไปก็อความทุกข์มันอยู่ไกลๆนอกๆค่ะ อ, อ, อืแล้วก็มันไม่ทุกข์อะค่ะเพราะว่า มันอยู่ข้างนอกมันเหมือนมันมาไม่ถึงใจอะค่ะเออมาไม่ถึงใจคือการภาวนาเนี่ยคนทั่วทไปนะความทุกข์กระจาเนี่ยรวมเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันพอเราภาวนามาถึงช่วงหนึ่งนะความทุกข์กระจายก็แยกออกจากกันภาวนาถึงขีดสุดเลยนะเราโยนใจเข้าไปใส่ความทุกข์โยนทิ้งไปหมดเลยมันค่อยเปลี่ยนไปอีกแบบเราเวลาที่มันจะมารวมกันพอมันพอมันมารวมกันนะคะแล้วมันเริ่มขุ่นเนี่ยก็จะเห็นพอเห็นมันก็ เออมันก็หายไปนั่นแหละเฝ้ารู้ไปอย่างงั้นสังเกตไหมเขาทํางานของเขาเองสังเกตไหมเขาไม่เที่ยงเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นแหละเฝ้ารู้อย่างนั้นแหละนะภาวนาเป็นแล้วก็อย่าขี้เกียจนะรู้ไปเรื่อยๆนี่นี่ใจลอยละหนูนี่เบอร์อะไรไม่มีเบอร์อ๋อเบอร์ไสไว้ใต้เสือเห็นเราเป็นไส้เดือนหรือก็หนูเห็นกิเลสบ่อยแล้วก็ แ, แบบเหมือนกับว่าหม่นไส้คนเยอะค่ะอเขาพูดอะไรก็หม่นไส้พูดอะไรก็หม่นไส้ให้รู้ลงไปนะเราเป็นพวกหม่นไส้แล้วเพื่อนเพื่อนอีก<ๆ>คนหนึ่งที่ปฏิบัติด้วยกัน <S <S> <S เขาเป็นคนแบบเฉยๆใครทําอะไรเขาก็เฉยใครทําอะไรเขาก็เฉยม้วยพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าการที่เรามีกิเลสบ่อยอย่างเงี้ยทาให้เนิ่นช้าจริงหรือเปล่าคะไม่จริงถ้ามีกิเลสบ่อยแล้วก็ไม่รู้ทันว่ามีกิเลสเนี่ยเนิ่นช้า มีกิเลสบ่อยรู้ว่ามีกิเลสมีสติขึ้นมาไม่เนิ่นชานะ้าจิตใจมีแต่กุศลไม่รู้ว่ามีกุศลเนิ่นชานะ้าอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีกิเลสหรือมีกุศลนะบางคนจิตเป็นกุศลนะไม่รู้ว่าเป็นกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกใช้ไม่ไดไ้อย่าไปเชื่อเขานะไอนะ้ที่เขาเล่าว่าหนูต้องแก้ไขอะไรไมคะไม่แก้สิ ไอ้ตรงไหนที่พยายามแก้เลิกซะเรารู้อย่างที่เขาเป็นฝึกได้ดีอยู่แล้วนะอย่าไปทำอะไรแปลกๆขึ้นมาของคุณผู้ชายนี่ยังติดเพ่งไหมยังติดเพ่งอยู่ครับเอ อ, อยังติดเพ่งอยู่ดู อ, อกปล่มันทื่อๆอยู่นิดนึงดู อ, อกไหมเหมือนมันกดอยู่ครับไปกดไหมปล่อยสิปล่อยไปกดทำไมอยากดี ใช่ครับรักดีหามจั่วไม่หนักหน้าจั่วไม่ใช่เบาก็ <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งปล่อยเต็มที่เลยครับได้เห็นกิเลสตัวเองก็รู้สึกสะอิดสะเอียนมากรู้สึกอะไรนะรู้สึกสะอิดสะเอียนตัวเองมากเออนั่นแหละดูไปตัวจริงเป็นอย่างนั้นแหละเราไปสร้างภาพหลอกตัวเองแต่ละควรจะสร้างเรื่องอัตลักษณ์นะลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมาหลอกตัวเองก่อนว่าเราต้องเป็นคนแบบนี้แล้วก็อยากให้คนอื่นเขาเชื่อตามด้วย เราต้องกระเทาะเปลือกตัวเองแต่ว่ามีศีลห้าไว้ถือศีลห้าไว้แล้วก็ปล่อยดูสิมันจะร้ายขนาดไหนอย่างนี้ยังกดอยู่กดมันกดอยู่จนชินมันมีส่วนหนึ่งนิ่งอยู่รู้สึกไหมใช่เอ่อนั้นถ้าเราตรงที่เราทํำวิปัสสนาจริงๆจะไม่มีตัวนิ่งนี้มีแต่ตัวที่เป็นคนดูมันทําให้มัวครับอะไรนะมันทําให้มัวครับอะไรทําให้มัวกดเอาไว้แล้วมันทําให้มัวใช่ไหมครับใช่ มันทำให้อ่ดอาจทำให้มัวมันเกินจริงแล้วหลังจากวันที่ผมปล่อยเต็มที่แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ปล่อยเต็มที่ก็พูดมากมพูดในธรรมะพูดมากลากคนนั้นคนนี้มานั่งฟังอให้เราฟุง้งรู้เลยเราฟุ้งซ่านในธรรมะเพราะนะงั้นตั้งปณิธานไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่พูดถ้าไม่จาเป็นถ้าเขาไม่ถามไม่พูดนะตั้งใจไว้นี้ก่อนหลังจากนั้นก็หมดแรง หมดแรงพูดก็เป็นนั่งหลับตาทำสมาธิสักพักหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนมองเห็นขันตัวเองทำงานเออต้องเห็นอย่างนั้นรู้สึกว่ากิเลสเนี่ยไม่มีช่องว่างทำงานทั้งสามตัวทำงานตลอดเวลา เ, เราไม่มีจังหวะเลยที่จะแทรกเข้าไปได้เราไม่แทรกเราเป็นแค่คนดูจนจนเหมือนมันทุกอย่างมันเงียบหายไปครับแล้วก็ปรากฏว่า เหมือนเห็นขันทํางานอยู่เอออยู่ในมุมห้องหนึ่งนะครับแล้วผมก็เหมือนกําลังเฝ้าดูมันอย่างสงบนั่นเท่า อ, อย่างนั้นตัวนั้นที่หลวงพ่อเคยบอกผมว่าขันเนี่ยเห็นขันเนี่ยมันทุกข์ตอนที่ผมมาส่งข้าวก่อนนะครับผมบอกว่าผมเห็นขันแล้วมันทุกข์หลวงพ่อบอกกลับมาว่าตัวจิตเนี่ยมันไม่ทุกข์หลวงพ่อหมายถึงจิตตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ขอบพระคุณครับ แต่ตอนที่จะแตกหักนะเราจะเห็นจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวทุกข์เป็นอีกแบบหนึ่งคือความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาอย่างพวกเซนเขาเคยบอกใช่ไหมบอกคนทั่วๆไปเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นแม่น้ําเป็นแม่น้ำอะไรอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเห็นภูเขาไม่ใช่ภูเขาเห็นแม่น้ําไม่ใช่แม่น้ําปฏิบัติเสร็จแล้วภูเขาก็เป็นภูเขาแม่น้ําก็เป็นแม่น้ําการภาวนาเนี่ยเด๋ยวพลิกไปพลิกมา มีเรื่องคาใจเอาว่าไปเมื่อหกเดือนก่อนนะครับตอนเดือนมีนาครับตอนนั้นผมมาส่งกันบ้านรอบหนึ่งแล้วสิ่งที่ผมไปเห็นเข้าเนี่ยอันนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าครับหลวงพ่อจำไม่ได้ละทั้งเดือนมีนา <c oughs> รู้สึกว่าหลังจากว่าจิตมันรวมเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันสึกเบิกบานปิดปกติ <c oughs> อันนั้นเห็นจริงหรือเปล่าเป็นจริง คุณคดีน่าที่ภาวนาอยู่เนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยๆช่วงนี้ตะลุมบอลหนักครับตะลุมการอะไรตะลุมบอลอะไรตะลุมบอลกับตัวเองเนี่ยครับแต่สู้ด้วยสติปัญญานะสังเกตไหมขันมันทํางานหมวนจีๆอยู่ทั้งวันเลยหัวสุกหัวซุนมากเออเราอยู่ห่างๆพยายามดึงออกอย่าดึงอย่าดึงถ้าดึงแล้วเครียดพยายามเหมือนเต้นฟุตเวิร์กไปรอบๆ อ, อ, อย่าไปเต้นแต่ว่าก็ยังกลับมารู้สึกว่ามันออกแรงนิดนาอย่างเนี้ ถ้าออกอย่างออกแรงอยู่ยังไม่ใช่รู้ครับผมขอ <นะ S 2> บคุณครับดียนิยมภาวนาเก่งๆนะมีพระมาฟังหลวงพ่อบางวันมีพระมาเยอะๆเลยบางองค์นะสารภาพเลยบอกว่าฟังโยมส่งกันบ้านแล้วสั่นเลยนะมีโยมองค์หนึ่งออกมาจากป่าไปอยู่ป่ามานานเลยท่านบอกท่านมาด้วยความมั่นใจมากกะวันนี้จะต้องมาฟังถามธรรมะเราให้เด็ดขาดไป ท่านบอกว่าพอฟังไปฟังไปนะท่านอายมากเลยท่านรู้สึกว่าโอ้ที่เราว่าเราเก่งนะไม่ได้เรื่องเลยอายเขานะเวลานิยมภาวนาเก่งๆ เ, งเยอะนะภาวนาวันหนึ่งเราจะเป็นพระด้วยเป็นโยมด้วย <c oughs> ธรรมะเป็นของกลางเป็นโยมเป็นพระนี่เป็นโดยสมมุติถ้าใจเราเป็นอันเดียวกับธรรมะใจเราเป็นพระนะ อย่างพวกที่มีที่พจักรสุดูทีเห็นนุ่งจีวรอยู่เลยเอาว่าไปก็วันนี้มีจ้าจ่าค่ะหลวงพ่อใช่จ้าจ่าถูกต้องมันเหมือนกับว่าพอไม่สบายแล้วมันจะชอบไปพักอีกตรงจ้ามันไม่มีแรงค่ะนะให้ยอมรับสภาพว่าใจไม่มีแรงเข้าไปพักอยู่กับความจ้านี้ไม่ดิ้นรนหนีมันมันยังมีดิ้นอยู่หน่อยหนอยมันยังดิ้นอยู่มันยังไม่เป็นกลางค่ะให้รู้ตรงนั้นแหละ ในที่สุดเราก็จะป้อแป้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้นะใจก็จะตื่นเบิกบานเบอร์เก้าสิบลงไปละเบอร์เก้าสิบปล่อยสิ ป, ปล่ยให้หมดรู้สึกไหมไปกดมันไว้ไปอัดมันนะคนโบราณเก่งนะเรียกว่าอึดอัดไปอึดแล้วอัดอไว้อัดแล้วเลยอึดอัดนะไม่หาอย่าหาเอาส่งไปให้เข้าทีหนึ่ง อย่าไปหามันอย่าใช้จิตสแสวงหาจิตถ้าจิตเที่ยวไปสแสวงหานะให้รู้ว่ากำลังสแสวงหาอยู่เราไปคิดว่าธรรมะอยู่นู่นต้องส่งใจวิ่งไปหามันให้รู้ทันว่ากำลังส่งใจไปอยู่ธรรมะไม่ได้อยู่ตรงนู่นเพราะงะั้นจะเ น, เนี่ยไปหาละเห็นไหมมันจะไปหาไปหามีหลายแบบบางทีจะไปตรึกนึกคาพูดก็มี ทีเขาไปค้นคว้าว่าจะไปดูอะไรสนใจไปเที่ยวควานควานว่าจะดูอะไรดีควานทั้งวันเลยครับสามวันวันนี้ครับใ ห, รนะให้รู้ว่ากวานนะนนะให้รู้ว่ากวานนะไม่ต้องทําอย่างอื่นนะให้รู้ว่าควานเฉยๆไม่ต้องทําอย่างอื่นไม่ใช่ห้ามมันด้วยแต่ไม่ใช่กวานไปแล้วไม่รู้ว่ากําลังกวานอยู่จิตโดยจิตนั้นโดยตัวของมันมีธรรมชาติส่งออกนอกสังเกตไหมมันส่งออกไปกวาน ให้รู้ทันเนี่ยเนี่ยไปละไปแล้วให้รู้ทันว่าจิตมันส่งออกไป อ, อีกรอกครับแต่ไม่ดึงเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้มวดแต่กวานเลยฟังไม่ออก <c> ือ <oughs> ไม่ใช่หลวงพ่อถึงบอกกันเมื่อกี้อะเมื่อกี้เขาหมัวเที่ยไร่กวานอยู่เลยฟังหลวงพ่อไม่ออก <c oughs> จิตนั้นมันมีธรรมชาติส่งออกนอกนะ <c oughs> เราไม่ได้ไปฝึกเพื่อไม่ให้มันไม่ไปไหนแต่พอจิตมันเคลื่อนไปนะให้รู้ทัน จิตมันจะเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างของคุณตอนนี้มันเคลื่อนไปทางใจสลับกับทางหูมันเคลื่อนไปทางหูก็รู้เคลื่อนไปทางใจก็รู้จิตมันเป็นยังไงรู้มันไปเรื่อยๆจิตไปเที่ยวสแสวงหาให้รู้ว่าจิตสแสวงหาของคุณท่องประโยคนี้ไว้นะจิตไปสแสวงหารู้ว่าสแสวงหาเราไปคิดว่าธรรมะอยู่โน่นต้องส่งจิตไปเที่ยวหาหาก่อนแล้วเดี๋ยวใจได้ไปเห็นมันอันนั้นหลงผิดละ นเนี่ยเแต่ขณะนี้จิตเที่ยวสแสวงหาแล้วถอยขึ้นมาถอยขึ้นมามันยังไม่อิ่มมันยังไม่พอ <c oughs> ไม่ไรไปฝึกเอาเองเทศแล้วเดี๋ยวพอแล้วบรรลุตรงนี้เลยลาบากก็ตอนนี้ก็ดูขันเขาทางานของเขาไปนะครับไม่ได้แทรกแซงอะไรยังบังคับอยู่นะครับปล่อยให้เขาทางานแล้วดูไปเราจะแทรกแซงน้อยลงน้อยลง ใหม่ๆก็ยังอดแทรกแสงไม่ได้ก็รู้ไปนะใช้ได้แล้วของคุณค่ดีขึ้นละเผลอแล้วรู้สึกไหมตอนส่งมายนวนเบอร์เก้าสิบใจลอยไปแล้วะอาเบอร์ห้าสิบสองค่ะแล้วมาสักหลวงข้อค่ะเอออยากจะทำนิดเดียวค่ะว่าที่ทําอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็ขอคำแนะนำค่ะดูไปเรื่อยๆนะแล้วเห็นกิเลสวาลกี่ครั้งเห็นนิดเดียวค่ะจริงๆเห็นแค่โกรธกับเผลอค่ะนอกนั้นก็ไม่ค่อยเห็นค่ะ ถ้าเห็นเผลอได้เนี่ยเข้าขั้นอัจฉริยะแล้วเพราะว่าคนเรานะเผลอทั้งวันเลยคือจริงๆจะเห็นแค่อย่างถ้าเกิดช่วงที่ฟังซีดีมากๆก็จะเห็นอยู่ช่วงแค่วันนั้นนะคะแล้วจา ก, จากนั้นก็ไม่เห็นเลยค่ะงั้นก็ฟังอีกวันหนึ่งฟังทุกวันนะเอาซีดีหลวงพ่อเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมแล้วเราทําฌานไม่เป็นฟังซีดีไปบางช่วงจิตก็สงบรวมลงมาบางช่วงจิตก็ค้นคว้ามองเห็นสภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ฟังแล้วสติมันจะเกิดบ่อยซีดีหลวงพ่อฟังแล้วสติจะเกิดบ่อยนะพยายามฟังไว้ค่ะก็คือพอฟังแล้วก็คือจะคิดเหมือนว่าก็คือเข้าใจที่หลวงพ่อพูดแล้วก็คือพยายามที่จะนึกคือรู้รู้เผลออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่ไม่ได้ฟังก็คือจะลืมไปหลายวันไม่เป็นไรนะไม่มีหลวงพ่อไม่เก็บข้าฟังฟังเยอะๆเบอร์เก้าสิบไปไหนแล้วรู้สึกไหมส่งจิตไปแล้วอเหนื่อย ทำไมหลวงพ่อต้องพูดเร็วสภาวะมันเร็วพอพูดช้าๆสภาวะของแต่ละคนก็เปลี่ยนไปแล้วดูไม่ทันพอพูดเร็วเรวเาก็หายใจไม่ทันเดี๋ยวขอหายใจก่อนเอาหยมพูดพูดนานๆนะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะตอนนี้เห็นความอยากอยู่เต็มจิตเต็มใจแล้วตอนนี้มันก็พยายามหาว่า มีอะไรที่บกพร่องไปเหลือการภาวนาเนี่ยปัญหาอยู่อย่างนี้ค่ะให้รู้ว่ามันหามันหาก็ให้รู้ว่ามันหาเบอร์เก้าสิบรู้สึกไหมมันส่งจิตไปหาตลอดเวลาให้รู้ทันตัวนี้ไปซ้อมตัวนี้มานะแล้วมาส่งกันบ้านเอาคุณตรงของโยมมาดีละจิตมันหารู้ว่าหานะ <Okay. S 1> คุณตรงว่าไงโทสะยืนพื้นนะครับโทสะภาวนาง่าย มันเหมือนแน่นๆอยู่ครับอแน่นเพราะเราบังคับนะขมไหมดุม๋มไหมขม เ, เห็นว่ามันกดอยู่แต่ไม่รู้มันนั่นเรไปกดเอาไว้ไม่ต้องดีก็ได้นะทําตัวสบายๆปล่อยให้มันทํางานแล้วตามดูมันไปผู้รายก็ออกมาเรื่อยๆครับอะไรนะผู้รายนก็ออกมาเร<ล>อยๆผู้รายเยอะนะ <ๆ S 1> ให้มันออกมาพอเรารู้ทันเหมือนเราฟาดกระ บ, บา น, ม, นมันให้มันหลัวมาเรื่อยๆยิ่งดี ไม่งั้นผู้ร้ายจะแอบอยู่ในบ้านจําไว้นะผู้ร้ายไม่ได้หนีอยู่ที่ไหนนะผู้ลายซ่อนอยู่ในบ้านเราซ่อนอยู่ในจิตนี่เองแต่ถ้าเรายืนถือไม้จ้องไว้มันจะไม่โผล่ขึ้นมาเพราะงั้นอย่าไปจ้องไว้แต่ไม่ใช่จิตเป็นคนผลิตผู้รายใช่ไหมครับอะไรนะไม่ใช่ว่าจิตเป็นม่มีอนุสัยอยู่มันมีอนุสัยที่ซ่อนสะสมไว้พอกระทบอารมณ์ที่เอื้ออํานวยในขณะนั้นขาดสติอนุสัยก็ทํางานให้มาปรุงผู้ร้ายหยาบหยาบขึ้นมา มมันจะซ่อนลึกซึ้งอยู่ในใจเราถ้าเราไปนั่งเพ่งแม้แต่นิดเดียวมันจะไม่ทำงานขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าจิตของเราดีจิตนี้ไม่มีผู้ร้ายเลยหรือจิตนี้บรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วไม่มีกิเลสเนืัองปล่อยให้เขาทำงานอย่างพระ ร, าหารนะหันน้ำจะไม่บังคับจิตมีคนเคยมาถามหลวงพ่อบอกพระระหันเนี่ยมีสติรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมบอกไม่ใช่ถ้ายังรักษาจิตอยู่ก็ยังมีงานทาอยู่ ถามว่าพระอราหันต์ขาดสติใช่ไหมไม่ใช่ถ้าขาดสติก็ไม่ใช่พระอรหันต์เพราะงั้นมันไม่ใช่เลยปล่อยให้เขาทำงานนะปล่อยแล้วก็ดูเข้าไปร้ายก็ร้ายแต่ว่ามีศีลห้าไว้คุณตรงยอมรับตัวเองได้ไหมว่าจริงๆร้ายไม่เพียงแต่โกรธนะอาฆาต ด, ด้วยนะนะนะให้รู้ทันลงไปนะหลวงพ่อนะคนไหนภาวนานดีหลวงพ่อชอบฉีก เปิดโปงนะรัฐกลัวไหมก็ก็ร้ายเหมือนกันนะคะมีคนไหนไม่ร้ายไม่มีหรอกนะร้ายร้ายแหละเรารู้เอาอย่างคุณตรงเขาภาวนา ง, ง่ายเพราะโทสะเป็นกิเลส ท, ที่ดู ง, ง่ายบางคนมีโมหะไม่โมโหใครนะวันๆเฉยๆซึมซึมเสื่องเสื้องนภาวนายาก งั้นอย่างพวกขี้โมโหนะ่าภาวนาง่ายคุณตรงเห็นไหมมันมีแต่ความทุกข์เพระโทสามันเกิดขึ้นมาร่วมกับจิตที่มีความทุกข์เราก็ดูไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็เป็นกลางกับมันได้บางครั้งก็ทนไม่ได้นะอย่างใจมันเกิดความสลดสังเวทขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันสลดลงไปนะใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นงนั้นลงไปนะสังเกตไหมมันไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นเหมือนตะกี้ละนะมันสลดลงไปเราก็รู้ทัน ไม่ต้องดีก็ได้นะคุณตงเชื่อหลวงพ่อแล้วตอนหลังจะดีเลิศเลยโนนเบอร์เก้าสิบหลงไปแล้วอ้าวต่อไปถึงไหนละทาไมโยมเยอะนะวะเหนื่อยตอนนี้มันก็ถ้าเทียบจากเมื่อวานวันนี้มันเหมือนกับมันจะรู้บ่อยขึ้นวันนี้ดีกว่าเมื่อวานบังคับเยอะกว่านี้วันนี้ก็เหมือนกับปล่อยๆไปแต่ก็ แต่ก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนกับมันจะเข้าไปทำแต่ประกรากฏว่ามันทำฮะอะไรนะเหมือนกับว่ามันเห็นว่ามันมันไปรู้ว่ามันมันก็เลยยังไม่ได้เข้าไปทำเออยังไป่เข้าไปทำแต่ตอนนี้เข้าไปกดไว้ปล่อยน้าปล่อยตอนนี้ปล่อยไปปล่อยไปตอนเนี้กดอยู่รู้ไหมมันแน่นแนนนั่นแหละมันกดอยู่ยังบอกว่าไม่กดอีกปล่อยไม่ได้ ปล่อยไม่ได้แหละถูกต้องแล้วถ้าสั่งให้ปล่อยได้นะหลวงพ่อจะแนบต่อไปเลยสั่งกิจให้มันรู้มรรคผลตอนนี้เลยมันสั่งไม่ได้นะเรารู้ว่าเราบังคับเขาไม่ได้การที่เราเห็นว่าเราบังคับเขาไม่ได้นั่นแหละธรรมะเอาเบอร์เก้าิไปอีกแล้วรู้สึกไหมใจทื่อๆซึมๆไปแล้วรู้สึกไหมใจมันซึมอย่าปล่อยให้ซึมนะคึกคักไว้ แก้ไม่ได้แต่ให้รู้ทันมันนะแล้วก็หาผัสสะนะให้มีการกระทบอารมณ์ไว้การกระทบอารมณ์หรือผัสสะเนี่ยเป็นสิ่งที่ยั่วกเกลเลดก็จริงนะแต่เป็นช่องทางให้เกิดปัญญาอะไรนะไม่ใช่จะจะถอยไปตรงนั้นต่อเมื่อมันซึมมากไปก็ออกมารู้อะไรบ้างนะอย่าไปหลบซึมอยู่คนเดียวพอออกมากระทบแล้วเราจะเห็นเลยเนี่ยโทสะมันจะเกิด ของคุณเองจริ ง, รงๆโทสะก็เยอะน ะ, ะมันจะเป็นพวกโทสะเหมือนกันแต่ถ้าไปนั่งอยู่อย่างงี้ก็เหมือนไม่โกรธใครนะออกมากระทบไปแล้วกิเลสมันจะทํางานอนุสัยมันทํางานขึ้นมาพอมันทํางานขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันแค่แค่มันลงทุนแล้วมันขัดทุนอนุสัยจะอ่อนลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปข่มไว้เนี่ยเขาเรียกกรรมฐานแบบหินทับหญ้าข่มไม่เฉยๆกิเลสจะไม่อ่อนแรงลงหรอก ค่ะวันนี้จิตมันมีกําลังค่ะแล้วมันก็เลยกดตัวเองเอาไว้อะค่ะเป็นพักๆเป็นกดมันทําไมอ่ะมันกดเองค่ะเหรอดีที่เห็นว่ามันทํางานได้เองยอมรับได้ไหมที่มันไปกดไม่ชอบยอมรับได้ค่ะชอบไหมไม่ชอบแต่ว่าอยอมรับได้ค่ะไม่ชอบก็ยอมรับไม่ได้ยอมรับได้มันก็เป็นกลางไม่มีไม่ชอบหรอกอีกข้อหนึ่งค่ะคือ รู้สึกว่าจิตมันมีเชื้อของความขี้สงสัยอยู่ค่ ะ, ะแล้วมันก็จะโผล่มาเป็นพักๆค่ะตัวนี้ของแมวมีมาตลอดหลายปีที่เรียนมาตัวนี้ทํางานมาตลอดค่ะแล้วแต่ก่อนเนี้ยความสงสัยเกิดขึ้นแมวจะค้นขว้าค่ะพี่หลวงพ่อบอกแมวเฮ้ยแมวอย่าไปทําอย่างนั้นแต่แมวจะต้องไปค้นขว้าตัวนี้ที่ทําให้ช้าค่ะให้รู้ทันลงไป ตอนนี้ก็รู้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งว่าพอพอเริ่มสงสัยก็แล้วก็ไปคิดกับมันมันก็จะยิ่งสงสัยมากขึ้นมากขึ้นนั่นจะไปหลงกลมันกิเลสทุกตัวนะจะทำให้เราเลิกปฏิบัติกิเลสทุกตัวจะทำให้เราเลิกรู้กายรู้ใจอย่างความสงสัยเกิดขึ้นเย่าชวนเราไปคิดเราก็ไม่รู้กายรู้ใจไม่รู้ว่ากาลังสงสัยความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปนึกถึงคนที่เราโกรธเราลืมรู้ว่าความโกรธกาลังเกิด ความรักเกิดขึ้นเราก็ไปคิดถึงคนที่เรารักลืมรู้ว่ากำลังรักกิเลสทุกตัวจะทำให้เราลืมตัวเองให้รู้ทันนะเบอร์เก้าสิบหลงไปอีกแล้วโดนหนักหน่อยนะวันนี้คุณสืบศักก์ก็ยังบังคับคุณสุเมศซึมเกินไปกินข้าวเยอะไปมัง้งเอาไปถึงไหนละนรัส ก, การครับหลวงพอ่อคุณเบอร์สิบห้าลงไปละเบอร์สิบห้า หลงอาว่าไปตื่นเต้นมากครับไม่หายสักทีครับรู้สึกไหมตื่นเต้นคราวนี้ก็ไม่เท่ากับคราวก่อนครับมากกว่าอีครับฮะมันเดี๋ยวมากเน้อยครับเออดูใบหน้ามันไม่มามากทุกคนแต่ว่ามันมันมันก็ช่างมันตื่นเต้นไปครับแต่สังเกตไหมใจเราเป็นกลางกับมันได้มากขึ้นครับใจเราดิ้นน้อยลงรู้สึกไหมภาวนาดีขึ้นนะครับ ให้หลวงพ่อทุบได้เลยครับอะไรนะทุบได้เลยครับรทุบหลวงพ่อทุบ จ, จนเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยหลวงพ่อทุบจนหายใจไม่ทันแล้วเนี่ยที่นะภาวนาอยู่ดีนะคือการภาวนาเนี่ยถ้าเบื้องต้นไม่รู้จักสภาวะแล้วหัดรู้จักสภาวะได้ใช้ว่าถือว่าใช้ได้พอเรารู้สภาวะแล้วเนี่ยจิตหลงยินดียินร้ายเราก็รู้ทันว่าหลงยินดียินร้ายขึ้นมาจิตไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลาง ต่อไปเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางถือว่าเราพัฒนามาเรื่อยๆะตั้งแต่ไม่รู้สภาวะจกนกระทั่งรู้สภาวะจกนกระทั่งรู้สภาวะด้วยจิตที่เป็นกลางต่อไปเราก็เห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจนี้ไม่ใช่เราหรอกเขาทางานของเขาเองทั้งหมดเลยดูลงไปเรื่อยๆปัญญามันเกิดตรงนี้ต่อไปก็จิตจะรวมเข้ามานะมันตัดของมันเองวันนี้ภาวนาดีกว่าวันก่อน ถึงจะตื่นเต้นแต่ว่าเป็นกลางมากขึ้นแกรบสมาสการหลวงพ่อค่ะฟังหลวงพ่อครั้งแรกวันที่ห้าพฤศจิกา ย, ยนปีที่แล้วแล้วก็ฟังทุกวันเลยค่ะ ม, มากราบหลวงพ่อทุกใจ ม, มาส่งกันบ้าน ม, มาคราวนี้ก็รู้สึกว่าเห็นกิเลสเยอะมากอะค่ะเห็นแล้วก็สนุกด้วยว่าเอ๊ะทำไมมัน เราโมโหก็เออตัวโมโหอะไรเออตลกไหมสังเกตไหมเวลามันโมโหตลกนะเหมือนมันบ้าบ้าบบอย่างนไม่รู้ค่ะบ้ามาตั้งนานเนแล้วก็บางทีอยู่ในวิหารธรรมเนียเห็นตัวอยากไปหลงคิดนะะตัวอะไรนะตัวอยากหลงเอยังไม่ทันหลงอ่ะแต่มันมันอยากรู้สึกไหมมันหลงหลงไปแล้วมันเพลินเพค่ะมันมีความสุขค่ะพอเห็นไปนาน พอดูเป็นนานๆแล้วมันมันเบื่อค่ะออมันเบื่อมันเบื่อแบบเบิกบานมันเบื่อออมันต้องเบื่ออย่างนั้นฮะมันไม่ได้ว่าอยากได้อันนี้ไม่อยากได้อันนี้สุขก็ไม่อยากได้อทีนี้เราเราปกติเรเป็นคนที่หลงอย่างเดียวคือไม่เพ่งเลยอก็ดูหลงภัยเออดีนะวันนี้ก็เลยนึกเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเอเราภาวนาถูกหรือเปล่าเพราะมันดูมีความสุขจังเลยอยงนี้เดี๋ยวเก๋หวยพี่หลวงพ่อบอกว่า เมีเป็นกุศลแล้วไม่รู้อย่างนี้ค่ะพี่ฟ้าก็เลยเอ๊ะเราเหมือนคนอื่นเขามีกดตรงนั้นตรงนี้แล้วเราไม่เป็นอย่างเนี้ค่ะเราดูเฉยๆอย่างงี้ดีแล้วมันดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปฝึกกดนะกําลังจะเรียนถท้ามาค่ะเพราะว่าพอฟังหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าถ้าหลงอ่ะแล้วตายไปอไปเป็นเดรัจฉานอฝึกฝึกเพ่งไว้หน่อยดีไหมค่ะไม่เอา กลตายไปแล้วแบบต้องไปยูเทิร์นอีกน้าดีกว่าจะมาไม่เป็นเดรัจฉานแล้วไม่เป็นนะคะเออไม่เป็นแอกดูไปอย่างนี้แหละค่ะเราจะนิพพานเราจะเป็นเดรัจฉานทําไมมีอีกคําถามหนึ่งค่ะทุกครั้งที่หลงไปแล้วรู้ว่าหลงนะในขณะนั้นสติเกิดค่ะจิตเป็นกุศลอย่างแรงกล้าค่ะบางทีมันมาแบบตึ้งเลไอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ตัวแล้วมันเออบางที กลัวแล้วพอรู้ว่ากลัวเนี่ยจิตมันตั้งมั่นมันแยกกันเห็นชัดแล้วนั่นแหละภาวนาดีแล้วค่ะค <น S 1> มีอีกเําทังสิบปียังทำไม่ได้มีอีกคำถามหนึ่งค่ะแต่ก่อนเนี้ยนั่งทำสมาธก็ก็จะนั่งได้นิ่งจิตสงบพอมาดูจิตนะคะมัวแต่ไปมีสติแล้วก็เลยไม่มีสมาธิะคะอพอจิตแวบไปก็ กลับมาแวะไปก็กลับมาก็เลยมีแต่สติเองไม่ใช่อของคุณนะัมันมีสติแล้วมันมีสัมมาสมาธิมันไม่ใช่สมาธิค้างๆนานๆอย่างนั้นค่ะสมาธิค้างๆนานๆเไว้อุปจาระอัปปนาอะไรเอาไว้นอนพักผ่อนค่ะส่วนสมาธิที่ของคุณมีขนาดนี้เขาเรียกว่าคณิกาสมาธิเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะขค่ ะ, คะนั่นแหละพอแล้วพอแล้วนะคะเออแล้วเวลาเหนื่อยล้าเต็มทีนะไปเปิดซีดีหลวงพ่อฟังเล่น ฟังทุกวันเลยค่ะ อ, อ๋อมีหน้าละภาวนาดีวางของปุ๊บจากบ้านก็เปิดไว้ก่อนเราดูไปอย่างนี้นอย่าไปทำอะไรมากกว่านี้นะรู้ลงไปอย่างเนี้ยคือตอนนี้คิดว่าตัวเองเป็นผ ล, ลไม้บ่มรอสุกแต่ก็เลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าไม่เน่าไปแล้วหรือว่าไม่ยังไม่ผลิดอกอะไรยังยังไม่เน่ายังไม่เน่านะค ะ, ะนั่นแหละรอไปอย่ารีบร้อนนะอย่าเอาไปบ่มซะก่อน โยมภาวนาดีๆเยอะนะวันนี้ไม่น่าแล้วธรรมะถึงดูเดือดหน่อยถ้าวันไหนโยมเอือเอ่อยๆมานะธรรมะของหลวงพ่อก็จะเอื่อยตามไปด้วยเพราะธรรมะดูเดือดโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องนั้นธรรมะมันผันแปรไปตามคนฟังเอาว่าไปกับน้ำมัศการเดี๋ยวๆยวแป๊บหนึ่งนะเสื้อเหลืองอะหลงไปแล้วอเอานมัการแล้วเอาว่างน ลืมไปเลยเ okay. มื่อกี้ก็ว่าตอนนี้มันมันตื่นเต้นมากของคุณเบอร์แปดนะค่อยดีขึ้นมาแล้วค่อยครู้สึกแปดของคุณบังคับเกินจริงอยู่นิดนึดนงนะดูออกไหมตอนตอนนี้ค่ะหายตื่นเต้นยัง ย, ยังหัวใจเต้นหวัวมันมันแน่นมันอึดอัดไปหมดเลยแล้ ว, ลวไงภาวนาอย่งงางไงแต่และ ว, วัน ก็คือคือเดิมก็จะ de, ปฏิบัติมาแบบพองยุบอะค่ะแต่ว่าก็มาปรับหลังจากที่ได้ฟังเทปของหลวงพอ่อก็พยายามที่จะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เพง่งแต่ว่าอพอที่แล้วหลวงหลวงพ่อก็บอกว่าเพ่งมากไปหน่อยก็เลยไปกลับไปก็พยายามที่จะแบบปล่อ ย, อยๆอะค่ะ<ต>รู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมจิตเราสบายกว่าเดิมแล้วกิเลสก็ผ่านมาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ ใช้ได้แต่ว่าวันนี้วันนี้อย่างเวลาฟังฟังฟังหลวงพ่อพูดอย่างเวลาหลวงพ่อพูดว่า อ, อ, อย่างตื่นนอนเนี่ยให้ให้คือถ้าเราติดอะไรเนี่ยเวลาตื่นนอนให้ให้รู้เลยตอนนี้เนี่ยคือลักษณะของจิตที่แบบแว บ, บ, บไปบนบนที่นอนแล้วแล้วเราก็ติกลับมาอันนี้เป็นการตามรู้หรือเปล่าหรือว่าปล่อยหลงไปอะค่ะถ้ามันแว บ, บไปเนี่ยแล้ว เ, เ, เรารู้นะใช้ได้ถูกต้องแล้วถ้าแว บ, บไปแล้วไปดึงคืนมาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ให้มันหลงแล้วรู้ว่าหลงอย่าไปดึงมาในความเป็นจริงจิตไม่ได้มีอยู่ดวงเดียวแต่พวกเรายังภาวนาอย่างไม่ถึงขีดเนะี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีจิตอยู่ดวงเดียวแล้วจิตดวงนี้วิ่งไปวิ่งมานะจิตวิ่งไปหลงไปพอรู้ทันก็จะต้องไปดึงคืนมาในความเป็นจริงเนะี่ยจิตเกิดดับตลอดเวลาเลยจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูคนละดวงแล้วก็ไม่ต้องไปดึงคืนมานะรู้ลงปัจจุบันเป็นขณะขณะไป อย่าไปเพ่งก็แล้วกันแล้วจิตไหลไปคิดจิตเผลอไปก็รู้ทันว่าเผลอรู้เป็นระยะระยะไปไม่ต้องรู้ตลอดเผลอไปบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรแล้วแล้วอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยสัตว์ที่ที่ที่ตื่นเต้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราเราเราเราควรจะดูกายที่มันมันเปลี่ยนหรือว่าเราควรจะดูที่จิตตอนนี้จุดที่เด่นนะไม่ใช่อยู่ที่กายจุดที่เด่นใจกําลังตื่นเต้นรู้ที่จิตนี้ ส่วนร่างกายจะกระสับกระสายอะไรเรื่องของกายให้รู้ทันจิตไหมคือถ้ารู้จิตได้รู้จิตไหมถ้ารู้จิตไม่ได้ก็รู้กายเรารู้กายเพื่อจะมารู้จิตนะกายนะมอนเหมือนบ้านของจิตเราจะหาเจ้าของบ้านเพราะฉั้นถ้าเรายังหาเจ้าของบ้านไม่เจอเรามาเฝ้าหน้าบ้านมารู้อยู่ที่กายแล้วสักพักหนึ่งเราถึงจะรู้จิตแต่ถ้าเรารู้จิตได้อยู่แล้วรู้จิตไปเลยไม่ชอบ ขอคําแนะนําหลวงพ่อด้วยค่ะขอ ง, ของคุณดีขึ้นแล้วนะของคุณรู้เล่นๆไปเรื่อยๆอย่าไปเพ่งอย่าไปกําหนดอย่าไปกดเอาไว้ก็แล้วกันนะแล้วปล่อยให้เขาทํางานรู้สึกไหมมันการภาวนามันง่ายขึ้นสบายขึ้นนะการภาวนาจริงๆต้องสบายนะถ้าภาวนาแล้วภ า, นาวานาแล้วเคร่งเครียดแสดงว่าทําผิดแน่นอนเลยจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตคือบางทีมันจะอึดอัดบ้างแล้วบางทีมันก็จะรู้สึกสบายอันนี้เป็นปกติจริเป็นปกตินะปกตินะ เราบังคับไม่ได้เราดูจนกระทั้งเรารู้ความจริงเลยมันไม่ใช่เราหรอกแปลส่งต่อได้อีกคนสองคนหมดเวลาร้อมกันลมหายใจ ก, กร็รู้ว่าหลงบ่อยขึ้นนะคะก็มีหลงคิดหลงกโกรธออบางครั้งเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่ารู้อะไระคือเหมือนเฉย จะรู้กายก็ไม่ใช่รู้จิตก็ไม่ใช่มันก็รู้ว่าเฉยๆค่ะรู้ว่ากําลังซื่อบื้ออยู่ค่ะนะรู้อย่างนี้นะแล้วก็บางครั้งเนี่ยจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะก็รู้ว่ามันกังวลก็จะแป๊บหนึ่งนะเบอร์สิบลงไปแล้วเบอร์สิเก้าอ้าวว่าไปค่ะจะกังวลเกี่ยวกับงานก็แต่ก็รู้ว่ากังวลแต่ว่ามันก็ไม่หายไปนะคะเราไม่ได้ฝึกให้หายนะเราฝึกให้เห็นว่าจิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้ค่ะ แกจะกังวลชั้นก็ห้ามแก่ไม่ได้ดูไปจนยอมรับความจริงเนียจนไม่ยึดถืออะไรเลยก็มาตรการหลวงพ่อค่ะคือหนูรู้สึกว่าขี้เกียจค่ะห้าหิตโลกนี้เป็นคําที่แสลงที่สุดเลยคำว่าขี้เกียจจะขี้เกียจนะ <Okay. S 1> ความทุกข์จะมาถึงเราเมื่อไหร่เราไม่รู้เราต้องฝึกไวนะ้ฝึกไว้จนจิตใจเราพร้อมไม่ว่าจะในชีวิตเราจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็สู้ไหว ต้องฝึกนะหลายคนเป็นเด็กๆนะก็ประมาทบางคนคิดว่าอยู่อีกนานหลวงพ่อเคยไปที่สถาบันมะเร็งนะเด็กเล็กๆ ก, ก, ก็เป็นมะเร็งนะอืมเราตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นนะอย่าจอยนะหมายถึงว่าเราประมาทไม่ได้ในชีวิตเราขยันหน่อยนะขยันดูเรื่อยๆแล้ว ร, ร, รู้เท่าที่รู้ได้รู้บ้างเผลอบ้างแต่ว่า ทุกวันต้องค่อยๆสังเกตหัดพุดโทโธไว้ก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธแล้วก็ค่อยรู้ทันใจตัวเองพุโทโธแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้พุโทโธแล้วใจซึมๆมมาก็รู้พุโทโธแล้วเบิกบานก็รู้พุโทโธแล้วจิตใจเป็นยังไงก็รู้ลองซ้อมดูนะซ้อมเรื่อยๆหลวงพ่อไม่มีเวลาแล้วนั่นหลวงพ่อจะตรวจการบ้านให้หนึ่งแถวเมืร์ย่สิบเกดีขึ้นนะคนที่ใส่แว่นตามาด้วยกันปเปล่า หัดรู้สึกนะหัดรู้สึกตัวเองบ่อยๆฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆหน่อยแล้วก็ฟังซีดีไปแล้วก็หัดสังเกตความรู้สึกสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆเบอร์อะไรเนี้ยเบอร์7จ็ดีขึ้นนะเบอร์55จิตหมดแรงไปแล้วรู้สึกไหมหมดแรงรู้ว่าหมดแรงนะไม่ยุ่งกับมันเบอร์7ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นเบอร์85ตื่นเต้นมากรู้ว่าตื่นเต้นมากนะ รู้ลงไปหน้าทีลักษณะทีลักษณะเบอร์แปอกดเอาไว้รู้ว่ากดอา้าวถัดไปนู่นคนลบบุรีใจลอยเบอร์ยิ่สีใช้ได้ละดูไปเรื่อยๆได้แค่นี้นะพอละเฉิดกับบ้านหมดแรงแล้วเฮ้ยเหนื่อย